ฐานไปอธิษฐานว่าไงหลวงพ่อหลวงพ่อโคตรมหาจนจนมหาโคตรแล้วเจอขอสของเพราะลูกเยให้รวยมหารวยสักทีเถอะโอแล้วผลก็เป็นที่น่าพึงพอใจตุลิตาดีจังความสงสารกลับไปทุกอย่างเพียกร่ำไปหมดเลยผัวมีงานทําตัวเองวันวันนี้ยังใส่สร้อยมาให้ดูบอกไม่เห็นไหมถนัดกระจกหลวงพ่อแวบเดียวยังมีสร้อยใสเส้นเบลเลย แว่ใครอยากรวยต้องไปร้องไห้หรือว่าถ้าซุ่เออดีดีให้นั่งซุ่มๆุมร้องไห้นะครับครัอันี้ดีกว่าให้รวยว่าวันนั้นนะตั้งวงร้องไห้เลยเราเป็นวงล้วก็แปลกนะครับนั่นวได้งานทำแต่ตัวแกคงไม่ได้ดีถึงมีสร้อยวัดเขาเรียก่าอะไรจับอะไรมาเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยโอ้น่ามันน่าประจันจริงจใช่ ยให้ขวัญเป็นต้นดูมั้งเล็กเลยตอนนี้ตีแท็กเหรอแย่เขาเรียกว่าทำบนโด่งจุดตรงนี้ส่วนพันตรีนี่ก็เละเหมือนกันใช่รถชนในไอ้ตั้มหม้อเสาไอ้สะพานลอยอ่ะทั้งรถเละตุ้มเป๊ะพวงมาลัยหากเละตุ้มป๊ะรถใช้ไม่ได้เลยแต่หน้าก็จันคนไม่เละถ้าคนเละพระก็ยิ้ม ล้อละละเตรียมรับก็้มรับพ้อมรับสวมเราะห์เสยร้ออย่างนี้ไม่ทัดทองแต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็อาศัยหัวคะแนนพอเป็นยาบาลมัดได้เตองโนอนตายตรงนี้ตายอัอนี่จะเลือกตั้งวันที่ที่สามเลยเออคนั่างบอกว่าไปถามหลวงพ่อได้หรือเปล่าว่าจะเลือกพระไหนโอ้ไม่ได้พระไม่รู้เรื่องการเมืองรู้หลวงพ่อรู้หรือครับรู้ รู้ว่าจะเลือกพรรคไหนแล้วครับพรรคก่อนโอ้ย่างนี้สบายเลยนะไม่ยใคเลือกกี่รักใครมัดอีกครั้งเลยนะใช่ใชเอางี้ดิใครให้ตังมากเลยคนนั้นถ้าก็ให้หลายคนนะคิดให้ทุกคนครับเพอายุที่ทรไงเออเฮ้ยรวยเออวันที่ศึกษาต้องสนุกไหมนิด เองว่าเลือกตั้งคนนี้รู้สึกนายกมากจริงๆไงคนนีู้่เป็นนายกเขาจะยิ่เป็นนายกใช่ไหมไม่เป็นนายกคนเดียวที่บอกไม่ยอมเป็นอ่ะใครในที่อะไรเฉลิมเหรออ๋อเฉลิมจะเป็นสายการไม่ยอมเป็นแน่เพราะว่าไม่มีใครเลือกผมสอสอเขาจะเป็นไม่ได้แล้วคนช่วยไปร่างาที่แล้วพักพักมวลชนต้องพักทั่วราชังกัดได้คนเดียวลูกน้องใช่เฉลิมบอกประกาศเลยไม่เป็นนายกเด็ดขาด เพาไม่ใครเลือกแกเพาพูดถูกนะเอออินี่พูดถูกพูดถูกในเมื่อไม่มีใครเลือกจะเป็นนายกไม่ได้เห็นไหมใช่ถ้าเออใครไปเลือกแรเข้าจะยุ่งเหมนน่ะแกไม่ตั้งท่านนายกไว้ก่อนต้องเป็นนายกจะยุ่งครับต้องนักพักหรือเป็นหมดเนี่ยเออเห็นใจเขาอกตั้งนะเหนื่อยเขาต้องเหนื่อยนะ เดินหาเสียงให้้หาคนผู้คนยุ่งกันนะแไ่ยังนึกแต่ว่าที่ให้ให้หัวคะแนงไปนะอแหมมาถวายวัดเท่าซึ่งก็จะดีนะะวัดแรงเสาองค์ถึงอยู่ไม่ได้อไอต้องเข้าป่าต้ององค์สนมากนั่งแบบนี้เลยท่าทายหลงพ่อเนี่ยเหรอใช่ถ้าเทียงไปเที่มาบอกเดี๋ยวลงไม่ได้จะลงไม่ได้ะบอกต้องลงได้เดี๋ยวลอยไปแล้วเนี่ย ลงไม่ได้เขาพูดอย่างนี้เองคไม่ต้องไปนั่งเสกใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งเสกม่ต้องนั่งทําสมาธิอาพิยาเนี่ยต้องทันทีทันใดไม่ต้องตั้งท่างทางแบบที่เขานั่งฝึกเขาตั้งทั้งวันไม่ท่าทางอะฌานเขามีทั้งวันใช่ไหมล่ะเขาส่งฌานทั้งวันไอ้การสรงฌานนี่ไม่ใช่ไปนั่งสมาธิไม่ไม่จะเป็น นั่งอยู่คุยอยู่กินอยู่ใช้ได้หมด๋อจะใช้เวลาไหนชันชนันนมันอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะ<อ>ใช้ได้ทันทีไม่อบอกจะเข้าชานก็องไปนั่งหลับตาปีแนละ้วมันใช้ไม่ได้หรอกยังนานยังไกลมากที่ายเด็กไม่มาที่นี่นะอบอกให้ยกทรงปกากเบี้ยอีกครั้งสงสัยต้องกราบหลายสิบครั้งเลยนะเอ า, าอ <laughs> ไปมาล้านที่สอง พอดีโชคดีนน เ, เนี่ยเมื่อวันเป่ายางกลเพชรเนี่ยครูก็ได้คุยกับเด็กสาคนเนี่ยออพอดีได้เห็นทามาสจรย์ก็ไอ้เรื่องพอไฟวัดดับหมดก็ปลาดผวก็มีแสงดวงยิ้มเขียวสี่ดวงออไอ้ผมไอ้ผมก็เป็นคนความรู้มากต้องว่ายเด็กถามว่าอห น, หนูอะไรแต่เด็กก็บอกนี่สี่ทามาราชบอกว่าหลวงปู่ฟ้าบอกว่าอ้าให้มาดูแลหลานๆเหมือนเหนือด้วยนะเอทามาราศจะมีสี่องค์นะครับทำไมต้องมีสี่เท้าหนอย แม่ี่าฮ่าฮ่าฮ่าดีท่าว่าดีท้าว่านีได้แค่สบองเลย่าฮ่าฮ่าตงื่นยากสักวันอะไรฮะอ้ก็ต้องต้องเรียกอาทั้งแปดเท้ามหาลาหเออใช่ใช่ก็คนที่ไปบนก็โกรมากจะไปสุดสายจะไป สี่ท้ามหาราคก็ดีหลวงพ่อสี่พระองค์กดีก็ประสบความสำเร็จกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ข้างหลังโบสถ์ไม่เบานะหลวงพ่อก็อะไรสีวลีกับหลวงพ่อขอนมจีนนชะ่ใช่นั่น <c oughs> นั่นไม่ต้องไกระยาดติ้วเลยหลวงพอ่อทำไมเลยถาําจับเลยฮะแล้วไม่มีพลาดจริงจริงมันจะไม่ไจำเป็นต้องกระยาดติว้วหรอกแต่คนที่ก็ชิงเดี่ยวติ้เขาต้องกระยาวนะ อ, อ๋ออันที่ถ้ํจับมาใช้ได้ไม่เนื่อหูด้วยไม่เสียเวลา ขอผลจะได้ไม่ได้อยู่ที่ใช่ใช่ที่กต้องเปลี่ยนแผนใหม่บางที่ขย่าตรงนั้นไม่ออกครับพวดเจ้าอก็ออกทีเดียวสิบพันเลยเป็นหยไม่ผิดสิบตัวนี่ก็ตั้งแต่ตายเต็มที่เลยบรรด์ของสมเด็จอาภาษียรยะไม่ตายก็วัยยังไปไปเดือนไปทีกหูปั๊บปั๊บับปัับยิ่งช่างน้อยอย่างนี้นอถ้าอย่างสมัยก่อนเสร็จไปแล้ว ที่สมายญี่ปุ่นขาดแล้วก็องปล่อยช่างออกไปหมดัชยไหมแล้วไม่กี่คนปีนี้ก็คงจะต้องใช้สลาทุกสองไร่ใช่สบายใจกว้างดีปีที่แล้วถ้ามั่งซ้อนเงินคราบบางคนหาที่นั่งไม่ได้ก็ต้องล้มตัวฝัข้างนอกปีนี้สบายใจที่คนจะมากคนน้อก็ตามทุกสองไร่เลยกว้ากว้างกว่าสบายกว่า อาหรือหลายสานนาทีต่างเครื่องนา่าจะ ย, ยายนนองหลายวันนี้เป็นวันแรกของเดืกันยายนสองพันหารสาสิบห้าการเจรจากรรมฐานขอเริ่มต้นก่อนนะอตอนต้นก่อ น, อ น, อนในตอนตอน้นขบันดาสมุทรริษัทที่ยังไม่เคยปฏิบัติเลยให้ใช้คำวนาวพุฑโท แต่ความจริงคําวนานี่ยมัจํากัดจะถ้าใครคล่องมาจากอย่างไหนแล้วก็ทําตามนัม้นตามเดิมนะเพราะว่าถ้าไม่เคยทํามาก่อนให้ใช้คําวนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธแต่การให้ใจของบรรดาญาโยงพระทูตสัตวก็จงอย่าบังคับร่างกาย ร่างกายจะให้ใจเร็วหรื้อยใจช้าแรงหรือเบาก็ปล่อยมันเป็นหน้าที่ของร่างกายเราเพียงเอาจิตก็ไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้านึกตามวาพุใหายใจออกนึกตามโวโทูถ <c oughs> ้าท่านที้ดำน้จมโนยิี่แล้วจะใช้คำนามวามะพ้าก็ได้ถ้าคนอื่นก็เหมือนกันถ้าญาติโยนทหลายที่เคยทำมาก่อนจากที่อื่น <c oughs> เคยข้งของภาวนาแบบไหนก็ทาตามนั้นไม่ต้องเปลี่ยนการภาวนาที่เป็นสมถะภาวนาแล้วเป็นการทรงตัวครั้งแรกเป็นการฝึกกันทรงจิตให้มีการทรงตัวโดวยมากคาว่าสมาธิปรว่าการตั้งใจมันจะตั้งใจอยู่ได้ไม่นานนักโดยา่าแล้วถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเราจะไม่รู้ เราเึกว่าเรามีสมาธิแต่ความจริงแล้วถ้าเราจะใช้สมาธิด้านที่เป็นกุศลจริงๆก็ต้องใช้การภาวนาเป็นเครื่องวัดกับรู้ลมหายใจเขาออกเวลาการที่ญาญนจะปฏิบัติเวลาปฏิบัติจริงๆใช้เวลา20นาทีก็จงอย่าคิดว่าเวลา20นาทีเป็นเวลาน้อยให้สังเกตการภาวนา บางทีราภาวนาไปได้รู้ลมหายใจก็ออกด้วยสักสองนาทีสันทีเป็นอย่างมากจิต ก, ก็จะเคลื่องไปอย่างอื่นไม่ความอารมณ์อื่นจะเข้ามาแทรกอย่างนี้ต้องถือเป็นของธรรมดาในเมื่อมีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเราก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเรารู้ตัวนะการถือว่าการภาวนาถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการทรงอารมณ์ ถ้าเราทําบ่อยๆทนานนานนานํานั้นๆหลายๆครั้งเข้าอารมณ์จิตจะชินสามารถจะทรงฌานได้แต่คําว่าฌานก็นไม่กันบรรดาญาโยมพุทธริษัทคําว่าฌานในตรนนี้ก็แรลเพ่งมันไม่คล้อยจิตทรงตัวตัดมิวรรขประการได้วันนี้จะไม่พูดถึงฌานเพราะมันยากวันพรุ่งนี้อาจจะพูดเป็นว่าก่อนที่ญาโยมพุทธริษัชจะเริ่มภาวนา จึงคิดว่าเวลานี้เราจะไม่คิดเรื่องอะไรทั้งหมดเราต้องการอย่างเดียวคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วแล้วลงแล้แลวทำภาวนาก็อยู่ในว่าถ้ามันเผลอไปที่จะ อ, อื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มต้นใหม่ตอนนี้ไปก็จะขอนําเรื่องอื่นเข้ามาคุยดีไหมดีไระเยอะส่งดีขอรับดูจะคุยเรื่องอะไร เ, เ, เ, เรื่องที่มีความสงคัญจะคุยกรบมดายาโยมพุทธริษัทก็คือว่าเมื่อวันที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันเฉลิมพระชนม์ของพระราชินีใช่ไะครับก่อนหน้านั้นสองสามวันป่วยมากมันป่วยจนทั้งมีอารมณ์มึดไม่สามารถจะเห็นนิพพานได้ฉานเองมันก็เอามาัน ก, กันนะแต่ว่าจิตก็นึกถึงนิพพานเป็นอารมณ์ไม่หนัใจ เห็นพระได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระอรหันต์ได้แต่นิพพานไม่เห็นมันเอายุ่งเหมือนกันพอวันที่สิบสองก็คลายตัวอาการปวดคลายตัวก็เริ่มทําสมาธิต อ, าตอนเช้าประมาณสองโมงเช้าเมื่อทำงานอย่างอื่นเสร็จก็เริ่มทําสมาธิแต่สมาธิที่ฉันทาเนี่ยฉันนอนทำนะมันยาวดี <minutes> เขาเยสมาธิยาวท่านนั่งทำสมาธิสั้นใช่ไหมมันไม่ดีต้องนอนทาเพราะว่านั่งไม่ไหวเพราะเรื่องจับอนาปารนุสติที่ก็เริ่มแก่มใสเพราะนั้นสว่างมากก็เลยขึ้นไปที่จุลามณีไม่ต้องกไม่ต้องการทนาที่จุลามณีแล้วก็ไปที่เทวสภา เราไปเวลานี้ไปที่บรรดุกพลที่เราอ่านาไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าเทวด า, ากับพริบมากโยมบอกว่าแคบเกินไปต้องไปเทวสภาเมื่อไปถึงเทวสภาเห็นเทวดานางฟ้าพรหมเต็มหมดทั้งจั ก, กรว า, นาลนรงค์กันหมดนะเมื่อไปถึงแล้วก็ขอบไปขอบใจท่านไม่มีอะไรหรอกเพราะว่างานทุกอย่างในขันช่วย ท, ทุกองค์ งาก น, งก น, ง น, กนก่อสร้างก็ดีงานทําบุญก็ดีทุกอย่างเนี่ยเวลานี้ก็กเยอะแล้วเมื่อขอบคุณท่านเสร็จก็เห็นเทวดากำลังาาฟาดโหมกราบอีกครั้งอีกสามครั้งความจริงเขาไม่จะกราบฉันมันทรงๆนอ้าวพ่อเห็นว่ากราบสครั้งไม่ใช่หลวงพกราบสามครั้งดต่หน้าเขาเหงนเลยหัวจนไปดิบองเลยหัวไปน ะ, ะก็ชักสงสัยเลยหันดังหลังอ เห็นพุทธเจ้าองค์วถมท่านเสด็จมาประทับอยู่ในพระแท่นแ oh. ท่นเธอพะอินทร์เคยสอนธรรมะนะเทพกามธรรมดาแท่นเกิดมีมนพระโพิษัทบ้างใครตะใครบ้างมาสอน oh. ถ้าหากว่าพระโพธิษัทไม่ว่างพระอินก็สอนเองสอนธรรมะก็เทวดาแต่วันนั้นพุทธเจ้าองค oh. ์วถม ท, ท, ท, ท่านเสด็จมาเทวดากราบแล้วแท่นก็เทพก็เทวดาก็ดังสร้ากับพรหมท่านบอกวันดาท่านนอนไหล เทวดาก็ดีนางพระก็ดีพงหมก็ดีทั้งหมดจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเกิดที่ไหนมันตายที่นั่นถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองมนุษย์เราก็ตายที่เมืองมนุษย์ถ้าเกิดบนสวรรค์ก็ตายบนสวรรค์ถ้าเกิดที่พรหมก็ตายที่พรหมจงอย่ามีความประมาทในชีวิตส่วนใหญ่เทวดานางพ้าและพรหมมีความประมาทมาก มีความสุขในความเป็นทิพย์มีความสบายมากก็เลยลืม ล, มลมความตายคิดว่าจะเป็นเทวดาเป็นดังพ้าเป็นผูต้ตลอดการตลอดสมัยแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดทะลุยอดเลยนะโด น, นฉันด้วยสิทั้งหมดอย่างไทงทุกกองทุกองคยังมีบาปอยู่คนละอนอตัว เป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมได้เพราะอาศัยบุญเล็กน้อยแต่บาปมากแต่ก่อนที่จะจะสติจะตายจากความเป็นคนจิตนึกถึงบุญก่อน <c oughs> บุญก็พามาเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาเป็นพรมหมถ้าหากว่าถ้าหมดบุญวาสนาบา ร, รมีเมื่ไรโน่น น, นรกท่านชี้ลงข้างล่างาเห็นนรกสายแจ้วไฟลุกโชนน่าสนุกมากในโลกเลยแห ม, น, น, <า>แมน่าจะโชนยกสองไปเที่ยวเนะี่ย แต่ตอนยัง ไ, ไม่ว่างครับไม่ว่างแหมไม่ใครจะชุก ม, มนเลยก็ไม่ว่างนั่นเอง <c oughs> เห็นไปลุกทั้งนั้นเลยเพราะว่าคนมีบาปอย่างนั้นจะลงขุมนี้ทุกขุมมันมีไฟหมด <c oughs> แล้วก็มีการลงโทษมีการสับมีการฟันมีการทุบด้วยค้อนบ้างอะไรบ้างทุกอย่างมีทุกเวสนามากคนมีบาปอย่างนี้จะลงขุมนี้คนมีบาปอย่างนี้จะลงขุมนี้เป็นต้น ถ้าเห็นมาหาเทวดานางฟ้าผุ่มจะถามว่าใครอยากรวมนรกบ้างก็ไม่มีเทวดานางฟ้าผร่มองไหนอยากรวมนรกต่างคนต่างปฏิเสธเขาบอกว่าทุกท่านมาเกิดบนสวรรค์ก็ดีบนรวงก็ดีเพระาะมาถึงตึ่งครึ่งทางแล้วนิพพานนับต้นจากมนุษย์เป็นแดนต้นดายกลางก็คือเทวดานางว่าจะคอสวรรค์กับผุ่มโน่นนิพพาน ท่านชี้ข้างบนเห <c oughs> ็นแดนนิพพานเลยคงไปไม่มากนักมีสีขาวสีเดียว ส, สีขาวเป็ น, เ, ปนเพชนรนะที่เดียวเต็มไปหมดบอกทุกแดนที่ที่แดนนั้นจะไม่มีการจุดติถ้าถึงที่นั่นแล้วยังไม่มีการขึ้นไปไหนใครต้องการบ้างเทวดานางพระกระผมทั้งหมดก็พร้อมต้องการานั่ก็เลยแนะนํำ พราถ้าต้องการนิพพานจริงๆเป็นของไม่ยากให้ทุกคนนึกถึงความตายเป็นปกติคิดว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเีลานี้เราอยู่ที่นี่ไม่ชช่ระมดะรรมุราสนาบารมีเราจะไปนิพพานถา้าการจะปริพยินจะนึ ก, กเฉยๆนันไม่ได้ต้องปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีปฏิบัติทางใจคืนหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ วัาสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายประการที่สองต้องยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแน่นอน <c oughs> คืออใจเกาะพระไปเป็นปกติไม่ยอมวางอย่าพูดอย่าคุยอย่าทงานทำการอะไรก็ตามจะต้องเกาะพระไ้เสมอให้จิตเห็นพระไว้ที่เป็นฌานประการที่สามทุกองค์มีสิน้าบริสุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินที่ไม่จากัดจะรักษาสินห้าก็ได้สินไปก็ได้สินสิบก็ได้สินสองร้อยี่เจ็ดก็ได้ฉันก็สงสัย ว, ว่าเทวดานางพระพรหมจะรักษาสินสองรอยี่เจ็ดจะไปบวชวัดไหนนะ <c oughs> พอนึกสงสัยทันหันมาเลยบอกเธอสงสัยเลยบสงสัยท่านบอกทันยามาก็ปฏิบัติได้นะทัานยามากับผมก็สามารถปฏิบัติได้สินสองร้อยี่เจ็ด แล้าทางอเทียตอไปว่าถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วถ้าทรงตัวได้นำหนึ่งนึกถึงความตายสองเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอาริยสงฆ์สามมีสินบริสดุดอย่างนี้เขาเรียกว่าโสดาบันทุกคนจะไม่ลงอบัยภูมิถ้าหมดบุญวาสนาบารมีถ้าไปต่อไปไม่ได้ก็ลงไปเกิดแค่มนุษย์ก็อขึ้นมาใหม่แต่ทางที่ดีก็ควรจะไปนิพพาน การจะปฏิพันธ์เป็นของไม่หนักจะลืมนะพผู้เจ้าสนเทศนะว่าหนึ่งจงไม่เกาะติดมนดษยโลกเทวโลกและพรมโลกโลกทั้งสามที่เราไม่ต้องการก็เป็นโลกที่เต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขที่แท้จริงและในที่สุดก็มีความแก่ความเกิดความแก่ความป่วยความตา ย, ยมนุษย์นะ เทวดาและพระงก็มีการจดติไม่ไว้คนใชจิตเขามากเกาะจิตต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานฉะ <c oughs> นเทนแค่นี้นะฉันบอกว่าเพียงเท่านี้ก็พอใจแล้วเท่านี้สามารถบรนิพพานได้แต่การไม่เก่อติดต้องเห็นทุกข์นะเพราะหนึ่งเกิดมนมนุษย์ตะเกิดก็มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น ก็มีการป่วยมีความแก่มีการพัฒนาจาของรักของชอบใจมีความตายในที่สุดมันเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์เราไม่ต้องการเป็นมนุษย์ถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมหมดบุญวาสนาบา ร, รมีก็ต้องจุดติใหม่ตุติคือตายตายก็พุ่งเหลาลงในรกก็บาปใหญ่มากสิ่งที่เราต้องการคือนิพพานคนที่จะผ่า น, นิพพานได้ต้องมีลมไม่เกาะ ไม่กอบมนุนโลกเทวโลกอมภิมโลกจิตต้องการอย่างเดียวคือนิพพานเพราะท่านพูดจบจะบอกครืงแค่นี้สามารถเป็นิพานได้นิพพานจั่วกใกล้ๆแล้วท่า น, า น, านหันมาถามฉันว่าฤาษีว่างไงเมื่อสามสี่วันมาเนี่ยสามสี 3, วันที่แล้วมาคิดอะไรหรือสงสัยอะไรหรือก็เลยนึกในใจว่านี่เราคิดที่เมืองมนุษย์นะท่านอยู่ที่นิพพานท่านรู้เคยบอกยอมรับบอกสงสัย มันถามว่าสงสัยอะไรพูดมาตี้ว่าสงสัยว่าทําไมบรรดาเจ้พุทธบริษัททุกคนจะมีบา ร, รมีเต็มเร็วเพราะการไปนิพพานนี้ต้องมีบา ร, รมีเต็มเร็วอย่างที่พระองค์เทศพระองค์เทศเถระดานางฟ้าระเบิดไปของง่ายเพราะเขามาครึ่งทางแล้วทุกอย่างมีความเป็นทิพย์ทุกอย่างมีความสุขไม่ต้องทํามาห้า ก, กินไม่ต้องประกอบกิจงานทุกอย่าง อารมณ์อิ่นอยู่เสมอแต่ว่ามนุษย์เนี่เป็นของหนักต้องทำงานทุกอย่างต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างเลยพอใจบ้างก็อยากจะทราบว่าทำไมทุกคนจริงๆจะมีบารมีเต็มเร็วจะได้ไปนานิพันธ์ท่านก็เลยบอกไปของไม่ยาก <c oughs> คนทางมอย่ความดีที่เราเคยทำให้ทำเป็นปกติอย่างหนึ่งการให้ทานสรักษาศีล ส, สารจริยารนา ทำเป็นปกติไว้อย่างนี้จะไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหมือนน้ำไหลธรรมดาๆรรไม่เร็วนักแล้วก็สามารถจะเต็มได้ได้ช้าหน่อยถ้าเพิ่มงานอีกนิดหนึ่งทันก็สงสัยว่างานอะไรใช่ขุดดินหรือขุดทรายแน่ๆนะๆๆเพิ่มงานไงนิดหนึ่งนั่นคือว่าถ้าใจอยู่หัวก็ดีเพราะอะไรจีก็ดีท่านให้ทานทั่วทั่วประเทศใช่ไหม ท่านสงเคราะทุกอย่างในการสงเคาะห์ของท่านไม่ให้ให้จะเพราะเวลาให้เป็นการตั้งตัวของคนที่ไหนไม่มีน้าไปหาน้ําให้ที่ไหนไม่มีอาชีพไปหาห า, าชีพให้อย่างนี้ก็ทุกอย่างจะอยู่ยงคงทนหมายความว่าจะทรงตัวได้ตลอดการต่อสมัยคนที่จนอยู่แล้วก็สามารถจะรวยได้อย่างเขาออเขาอาอข้อโตทัศน์มาวันเสาร์ น, นี้ มีคนคนหนึ่งมีเจนที่สองไร่ทำกินไม่พอกินแต่พระรัตนีไปแนะนำเข้าเขาปฏิบัติตามคำแนะนำเวลานี้มีแต่ได้ปีสองหมื่นกว่าท่านช่วยแบบนี้ท่านได้บอกว่าให้ทุกคนตั้งใจโดยสเสด็จพระจุกุศลเมื่อหมายความแบ่งเงินเล็กน้อยที่เราไม่อยู่ค่อยๆรวมไว้ถ้าถึงวันเจริญปรนุนรมศศา ไม่เพาะใ่เงี่ยวันที่สิบสองเซี่ก็แล้วกันนะเอาไปถวายท่านถ้าเราะมีน้อยก็ตกไปทีว่วดพระเก้วละมั้งเหนก็ชูสตังท่านกันหยิบๆ ย, บ ย, บยบินะใช่ครับใช่เพรว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นเอามารวมกันเอามาใส่ถุงรวมกันที่นี่มากบ้างน้อยบ้างไม่สำคัญทำทุกคราวที่เรามาพบกัน ว่าถึงวันที่1ิบสองเมษิยนสึงหาก็ให้หููแทนไปสวายท่านที่ข้างพระนั่งไพศานทักษินที่มันเข้ามากไม่ได้จะเข้าได้เพียงห้าทกคนถ <c oughs> ้าเราท่าทำอย่างนี้นะทุกคนจะมีบารมีเต็มเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นการสงเคราะห์ก็ถามท่านบอกว่าก็ให้อย่างนั้นก็เป็นทานธรรมดาท่านบอกไม่ใช่ธรรมดาประการแรกหนึ่ง ทำให้คนที่ไม่มีความเป็นอยู่ดีให้มีความอยู่ดีขึ้นให้ทานเป็นการให้ทานอันดับใหญ่นะให้ได้ให้ทานคนทั้งประเทศเป็นะการในสอนถ้าคนพวกนั้นเขามีกินมีใช้เขามีข้าวนำข้าวไปใส่บาตรทั่วประเทศถือว่าเป็นสังฆทานทั่วประเทศถ้าเขามีสตังค์มาถวายพระก็ถือว่าเป็นสังฆทานทั่วประเทศถ้าสังฆทานทุกอย่างจะไม่มีเฉพาะวันเดียว ถ้าคนนั้นยังทําอยู่เมื่ อ, อไรเราได้บุญเมื่อนั้นดีกว่าเขาจะตายก็ดีนะทุกสนดีไหมดีพอรับดีนะถ้าดีก็วัออนออเนี่ยก็เปิดถุงแล้วนี่นะเปิดแล้วครับเราเสด็จพระเจ้าสนใช่ไหมใช้ฉันจะบอกยอดให้ฉันเวลาตอนท้ายๆจะบอกยอดว่าได้เฉยแล้วถึงวันที่สิบสองเมษาแล้วก็นาไปท่านถามว่าสงสัยอะไรัหมก็บอกไม่สงสัย แต่ว่าผมสงสัยอีนิดหนึ่งเรื่องนั้นไม่สงสัยแต่สงสัยอีหน่อยนะท่านถาสงสัยอะไรเกิบอกท้องบอกว่าที่ต้างบอกว่าเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีจะมีบาปท่วมตัวยังไงมีบุญเล็กน้อยจะมาสวรรค์ได้มามาโลกได้แต่ไอ้ผมนี่มันบาปมากกว่าเขานีครับเพราะอะไรไหม พ, พ, พอท่านพูดถึงบาปไอ้สีดำมาันปรากฏขึ้นในกายเทวดานางฟ้าทั้งหมด เป็นทีด่ดาวข้งในนะมันขึ้นมาแค่คอไอ้ของฉันมันเลยคอไปแ<ฮ>สดงว่าเทวดากับนางฟ้าเน่นสู้ฉันไม่ได้ก็มีระบรยมากมีบาปมากามีบาปมากแบงกกทรงมาซึ่งนะโมนาบอกว่าเธอไม่ต้องวิตกก็เลยบอกว่าต้องวิตกครับเพราะว่าสองสาวันที่แล้วมาไม่สามารถแจกไปนิพพานได้ เห็นพระได้เห็นเทวดาได้เห็นหนางฟ้าได้ทั้งหมดพุทธเจ้าก็เห็นพระรหันก็เห็นท่านก็บอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ผลจะบริพา น, นได้ไหมครับท่านบอกว่าสิ่งที่เราต้องการมันไม่มันไม่ไ ม, ไม่สูญนั่นหมายความไม่มีผลแน่นอนถึงแมา้อารมณ์จะมืดมันมืดจากระศาสตร์ไม่สิ จ, จิตใจใจจะเห็นความเปาศาศาศม็นทพจระศาสตร์มันมัว จะบอกว่าในเมื่อเห็นพระเจ้าได้องค์เดียวก็พอแล้วเนี่ยพันิุานได้ก็ไดยดีใจนะนะจะมาบอกบรรดาลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะว่าถ้าต้องการมีบารมีให้เต็มเร็วขึ้นก็โดยสเดจพระราชกุศลถ้ามีข้อหนึ่งในตอนนั้นนะถามแล้วบอว่าเวลานีนพระราชนีก็ดีพระเจ้าอยู่หัวก็ดีมักจะปล่อยปลา น, น, นะนะหน่าท่ต่าง ปล่อยปลาให้ชาวบ้านเขากินขยานนี้แล้วไม่พลอยบาบไปเลยท่านบอกเจเพิ่งตัดสินใจอย่างไรถูกต้องดูเจตนาเปนก่อนเจตนาการปล่อยปลาในหมายความว่าท่านเอาปลาจากที่แคบมาปล่อยที่กว้างให้ปลาได้อิสระใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เป็นมหากุศลปลาก็วิ่นไหวไปในแม่น้ําต่างๆโดยการที่สองปลาปลาไปขึ้นมาดับของน้ํา ถ้ามีน้ำใสๆ เ, เฉยไม่มีปลาแล้วแล้วดยไม่สวยสวยน้อยไปถ้ามีปลาแหวกว่ายอยู่จะเห็นจะเห็นสวยมากจะมีความเพลิดเพลินนี่ยเราก็เกลือนคิดว่าท่านทำอะไรก็ทําเถอะถ้าการปล่อยปลาแล้วถือแค่ปล่อยปลาไอปลาฉันบอกว่าไอาปลาที่ปล่อยไป น, นั้นชาวบ้านเขาไม่ติดกินทั้งหมดไอ้ที่มาติดแท้ติดไข่ติดโวนเขาเป็นไปตามกฎของกรรมของมันไอที่เหลือเยอ่ตังเยอะ ถ้าเจตนาของท่านไม่หวังให้คุณจับจะปล่อยเรื่องไปเครื่อประดังเขาแม่น้ำใครจะจับกเรื่องของเขาถ้าเราจะบาปด้วยต่อเมื่อเขามาขออนุญาตถ้าปลาูงนี่มันชุมมันขอกินนะครับจะทอดแหกับเอร์อะไร